เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังนะคะได้ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นแค่เรื่องเล่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเองตัวของมีเองก็อยากจะให้ฟังเพื่อความบันเทิงนะคะไม่ได้ฟังเพื่อความงมงายใดๆทั้งสิ้นนะคะพูดถึงเรื่องของมหาวิทยาลัยค่ะวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคงหนีไม่พ้นมหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้วก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใครๆหลายๆคนนะคะก็ฝันอยากจะเข้าศึกษาต่อที่นี่เพราะว่ามีการเปิดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์การเกษตรมนุษยศาสตร์และก็สังคมศาสตร์นะคะ แต่ว่าเพื่อนๆเคยได้ยินไหมคะว่าที่ไหนยิ่งมีความเก่าแก่มากที่นั่นก็ย่อมมีเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกอยู่ด้วยที่มอขอนแก่นเองก็เช่นกันค่ะต่อไปนี้เป็นเรื่อง6เรื่องเล่าผีจะน่ากลัวมากน้อยแค่ไหนก็มาฟังกันนะคะเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกตำนานสะพานขาวสะพานขาวตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตภาคอีสานโดยรอบค่ะซึ่งเป็นป่าทั้งหมด ช่วงหน้าหนาวอากาศจะเย็นมากเพราะว่าที่นี่ต้นไม้จะมีเยอะแต่ก่อนเนี่ยพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนี้เป็นที่อยู่ของพวกคอมมิวนิสต์ซึ่งมีการรบกันระหว่างคอมมิวนิสต์กับตำรวจทหารก็ทําให้คอมมิวนิสต์ตายเป็นจํานวนมากศพก็ไม่มีที่เผาก็เลยทําการฝังค่ะจากนั้น ก็มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นมีการสร้างถนนตัดผ่านช่วงหลุมศพของคอมมิวนิสต์แล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วก็มีคนตายเป็นจำนวนมาก มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มหาวิทยาลัยดังมากๆเลยก็คือช่วงของหนุ่มสาวคู่หนึ่งขับรถมอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วไม่มีใครรู้นะคะว่าเอาลวดสลิงไปขึงช่วงกลางสะพานก็ทําให้คอของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยขาดแต่ว่าผู้ชายนี่คือยังไม่รู้ตัวว่าแฟนของตัวเองตายแล้วเพราะว่าตัวเองเนี่ยก้มหน้าขับรถมอเตอร์ไซค์แบบคนขับรถเร็วประมาณนี้ทําให้ไม่โดนสลิงนะคะเมื่อขับไปถึงปั๊มน้ํามันพอจะลงจากรถ ก็เห็นว่าแฟนตัวเองคอขาดจากนั้นก็เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งที่สะพานขาวก็เลยมีการอัญเชิญสินแสมาทำพิธีสินแสก็บอกค่ะว่าให้ทำการสร้างเสาสะพานขึ้นเพื่อเป็นการไม่เหยียบหลุมศพ แล้วก็เป็นการลบหลู่นะคะก็เลยเกิดตำนานสะพานขาวเกิดขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นเพราะว่าได้มีเรื่องเล่าต่างๆเกิดขึ้นตามมาอีกหลายเรื่องทั้งเรื่องที่มีผู้ชายคนนึงขับรถเข้าไปในมอตอนดึกประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเขาก็เปิดวิทยุฟังเพลงไปด้วยโดยเส้นทางที่จะเข้าไปในมเนี่ยก็จะต้องผ่านสะพานขาวพอใกล้สะพานขาววิทยุของเขาก็ดับไปเฉยๆเขาก็เลยปิดวิทยุแล้วก็ลองเปิดใหม่ เสียงเพลงที่ได้ยินน่ะคือเสียงทรณนีกันแสงเขาก็เลยปิดวิทยุไปซะเลยนะคะเพื่อตัดปัญหาซึ่งรถก็วิ่งไปเรื่อยๆแสงไฟหน้ารถก็ส่องไปยังทางข้างหน้าค่ะเขาอมองเห็นคนสองคนเดินอยู่ไม่ค่อยไกลามากนะักแล้วเสียงเพลงทรณนีกันแสงที่ดังในวิทยุเมื่อสักครู่เนี่ยก็ค่อยๆดังขึ้นมาอีกก่อนที่รถของเขาจะวิ่งถึงคนทั้งสองคนเครื่องยนต์ก็ดับ เขาก็เลยจอดรถนะคะเสียงเพลงก็ยังคงดังอยู่แต่ว่าพอสองคนนั้นเดินเข้ามาใกล้เขาก็เห็นว่าผู้ชายเนี่ยไม่มีแขนส่วนผู้หญิงเนี่ยหิ้วหัวตัวเองอยู่โดยทั้งคู่ยิ้มให้กับเทา้าสองคนที่เป็นใครทำไมถึงเป็นเช่นนี้ แล้วก็มีเรื่องเล่าต่อไปอีกนะคะว่าประมาณ20กว่าปีที่แล้วสมัยนั้นมหาวิทยาลัยมีสภาพเป็นป่าแล้วก็มีนักศึกษาอยู่อยู่จำนวนน้อยคือมีไม่มากนะคะแต่ว่าปัจจุบันมี16คณะนักศึกษาก็ประมาณ2 0 0หมื่นคน แต่ก่อนเนี่ยได้มีหนุ่มคณะวิศวะคนหนึ่งมีแฟนที่รักกันมากค่ะเป็นสาวคณะพยาบาลขี่มอเตอร์ไซค์มารับแฟนที่หอพักเป็นประจําแล้วก็กลับมาที่หอพักทางสะพานขาวตอนดึกทุกคืนค่ะมีอยู่คืนหนึ่งฝ่ายชายเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์มารับแฟนที่หอพักเพื่อที่จะไปเที่ยวในเมืองก็ได้มีผู้ร้ายซึ่งจ้องจะชิงทรัพย์ ทั้งคู่ก็เลยถูกปล้นแล้วก็ถูกฆ่าตายทั้งคู่นะคะน่าจะเป็นเพราะว่าผู้รายเนี่ยขึงลวดสลิงไว้ทั้งคู่ก็เลยมีสภาพเช่นนั้นก็ อ, อาจจะเป็นได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเรื่องเล่าแล้วก็เรื่องของตำนานหลายๆคนหลายๆคาพูดนะคะก็อาจจะวิพากวิจารกันไปต่างๆนานาเพราะว่าการตายแบบนี้เนี่ยที่เขาเรียกว่าตายโหงสภาพการตายก็เลยน่าอานาถนะคะวิญญาณก็เลยเฮียนมาก โดยวิญญาณของทั้งคู่ค่ะก็ยังคงวนเวียนหลอกหลอนนักศึกษาแล้วก็ผู้คนทั่วไปที่ขับรถผ่านสะพานขาวเป็นประจำทางมหาวิทยาลัยก็เลยได้ทำพิธีกรรมอัญเชิญอัฐิของทั้งคู่นะคะเอาไปาฝังไว้ที่เสาสะพานโดยแยกไว้คนละด้าน ซึ่งภายหลังก็มีพิธีรับน้องใหม่ค่ะโดยกลางดึกก็จะให้น้องใหม่นีจับคู่กันนับเสาสะพานมาจากคนละด้านจะนับได้ไม่เท่ากันแล้วก็ว่ากันว่าถ้ากลั้นหายใจระหว่างที่นั่งรถข้ามสะพานขาวไปจนสุดสะพานได้โดยที่ไม่ผ่อนลมหายใจก็จะสามารถอธิษฐานขอพรอะไรก็ได้นะคะนี่ก็เป็นหนึ่งความเชื่อเรื่องของสะพานขาวในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องหลอนๆของนักศึกษาแพทย์ เขาบอกว่ามีนักศึกษาแพทย์คนหนึ่งเนี่ยขึ้นลิฟที่โรงพยาบาลตอนกลางคืนในลิฟต์ก็จะมีนักศึกษาแพทย์กับลุงอีกคนหนึ่งพอลิฟต์ลงไปเรื่อยๆลิฟต์ก็จะเปิดจะมีผู้หญิงแก่ถือไม่เท้ากําลังเดินมาที่ลิฟต์แต่ว่านักศึกษาแพทย์กลับรีบปิดลิฟต์นะคะลุงที่ขึ้นมาด้วยก็เลยถามยังตกใจว่าปิดทําไมไม่เห็นคุณยายหรอนักศึกษาแพทย์บอกลุงว่าลุงไม่เห็นเหรอที่มือของยายก็มีได้แดงอยู่ คุณผู้ฟังคะคนที่มีได้แดงก็คืออาจารย์ใหญ่ที่ได้ล่วงลับไปแล้วนั่นเองค่ะลุงแกก็เลยบอกว่าอแบบนี้หรือเปล่าก็เลยชูแขนให้ดูว่ามีได้แดงอยู่ที่มือของลุงด้วยโดนสองต่อเลยนะคะสำหรับนักศึกษาแพทย์คนนี้อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของห้องน้ําชั้นสี่ค่ะแล้วก็นักศึกษาแพทย์เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่านักศึกษาแพทย์ไปฟังเรื่องเล่ามาจากรุ่นพี่ว่าชั้นสี่ของคณะเนี่ยมีผี แต่ก็ไม่เชื่อก็เลยไปพิสูจน์ค่ะแต่ว่าไม่มีใครไปเป็นเพื่อนเพราะว่าทุกๆคนต่างก็กลัวผีกันทั้งนั้นนักศึกษาปีหนึ่งคนนี้ก็เลยไปทีละห้องทีละห้องนะคะแล้วก็ทำทุกวิธีที่จะทาให้ตัวเองเนี่ยมองเห็นผีได้ไม่ว่าจะเป็นการลอดใต้วางขาการตัดเล็บก็ทำห้องแล้วห้องเล่าก็ไม่เห็นค่ะก็เลยเบื่อจึงเดินไปที่ห้องน้ำล้างหน้าล้างตาด้วยความเจ็บใจเลยทาหน้าตาทะลนตแลปลิ้นติ้นตาใส่กระจก วันต่อมาผู้ชายคนนี้ได้เดินไปหาเพื่อนแล้วก็เล่าให้เพื่อนฟังจนมาถึงเรื่องของห้องน้ำเพื่อนเขาเลยบอกว่านายโดนแล้วละ่ะเพราะว่าห้องน้ำชั้นสีไม่มีกระจกแล้วคนที่เห็นในกระจกเป็นใครคะอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องของอเฟชชี่ผู้โชคดี มีรุ่นน้องเฟรชี่การละพฤกษ์43เอติดเข้าที่มอขอค่ะแล้วก็เดินทางจากต่างจังหวัดเพื่อมาสอบสัมภาษณ์พร้อมกับพ่อแม่แต่ว่าเดินทางมาถึงกลางดึกไม่มีที่พักนะคะโชคดีที่มีรุ่นพี่กลุ่มนึงมาเห็นแล้วก็อาสาพาน้องเฟรชี่มาพักที่หอพักใกล้โรงชายซึ่งปัจจุบันเป็นหอร้างที่ไม่ได้ใช้มานานแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่เนี่ยเห็นว่ามีพี่ดูแลก็วางใจ ก็พออาการะเป๋าขึ้นไปเก็บบนหอแล้วพ่อกับแม่แล้วก็กลับบ้านนะคะรุ่นพี่ก็เลยจัดห้องให้น้องนอนแล้วก็ขอตัวลงไปทำธุระปล่อยให้น้องแน่นอนพักอยู่คนเดียวพอน้องเฟรชี่คนนี้ตื่นมาในวันรุ่งขึ้นกลับพบนะคะว่าห้องทั้งห้องเนี่ยเต็มไปด้วยฝุ่นแล้วก็ใ ย, ยแมงมุม เมื่อเฟรชชี่คนนี้น ะ, ะลงมาจากห อ, อก็ทำให้รู้ค่ะว่าหอที่ตัวเองได้มานอนเมื่อคืนเนี่ยมันเป็นหอพักร้างนะคะซึ่งน่าจะไม่ต่ำกว่า2ปีได้ เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเล่าหอเก้าหลังนะคะเรื่องหลอนในรั้ววิทยายลัยขอนแก่นบริเวณป่ารกข้างหอเก้าหลังเป็นจุดที่ไม่มีใครกล้าผ่านเพราะว่ามีเรื่องเล่าค่ะว่ามีผู้หญิงถูกข่มขืนจนตายบริเวณนี้มาก่อนก็ทำให้บางคืนเนี่ยหากว่าขับรถไปก็จ ะ, ะกระตุกนะคะแล้วก็หยุดไปเลยก็มีเหมือนมีใครดึงรถอยู่ข้างหลังเมื่อหันไปมองก็จะเห็นผู้หญิงที่แบบหน้าขาวๆซีดๆ ด, ดึงรถไว้ เรื่องของคุณยายสปีดนะคะไม่ได้มีแค่หัดใหญ่ค่ะที่ขอนแก่นก็มีเหมือนกันแถวปั๊มปตทจะมีผู้หญิงแก่ๆที่ชอบมาวิ่งตามรถมอเตอร์ไซค์ตอนแรกเนี่ยแกจะยืนอยู่ตรงแถวแถวามแยกเหมือนจะโบกมือเรียกนะแต่ว่าถ้าใครที่ผ่านเธอไปสักพักหนึ่งเธอก็จะเดินตาม แต่ว่าถ้าบิดคันเร่งจะหนีเธอจะเริ่มวิ่งตามเลยละค่ะงานนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ไม่ดีแง่แงเลยบิดคันเร่งมิดไดเลยนะคะก็จะเป็นเส้นทางที่จะไปหอเก้าหลังนี่แหละคือเล่นวิ่งตามเกือบพันรถทุกคันด้วยและที่น่าแปลกก็คือเวลาที่วิ่งผ่านตรงที่มืดๆจะเห็นว่าเธอวิ่งตามแต่พออยู่ตรงเสาไฟสว่างนะคะเธอก็จะหายไปก็จะเป็นเห็นๆ ห, หายๆแบบนี้ซึ่งเขาเรียกที่นี่ว่าซอยคุณยายสปีดค่ะแก ก็จะวิ่งตามแต่รถมอเตอร์ไซค์ส่วนรถยนต์แกจะขึ้นมานั่งเลยนะคะมีคนเจอแถวแถวโลตัส ด, ด้วยนะคะตอนดึกๆ ก, ก็อย่าไปละกันแล้วคุณจะเห็นผู้หญิงผมยาวซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของคุณอยู่ก็เป็นได้พูดถึงเรื่องเล่าในตำนานของวิทยาลัยขอนแก่นนะคะ<ๆ>ก็ยังอยู่ในภาคอีสานทีนี้เนี่ยเรามาต่อกันที่4สถานที่สุดเฮี้ยนตำนานหลอนของมอสารคามกับเรื่องเล่าในวันวานค่ะ ม ม, มสหรือว่ามหาวิทยาลัยสารคามนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับหนึ่งใน10ของประเทศและได้รับการยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ใครจะรู้คะว่าพื้นที่ของรอบรั้ววิทยาลัยนี้เคยมีตำนานหลอนที่เล่าขานกันมานักต่อนักแล้ว วันนี้เราก็เลยรวบรวมอีก4เรื่องราวตำนานหลอนสุดเฮี้ยนมาให้ชาวม ม, มสอได้ฟังกันใครเคยเจอก็เข้ามาแชร์ประสบการณ์กันได้เลยนะคะ สำหรับเรื่องแรกในตำนานมมสนะคะก็คือเรื่องของลิฟต์ตึก RN ค่ะเรื่องมันเกิดตอนช่วงปิดเทอมในช่วงซัมเมอร์เมื่อ20กว่าปีที่แล้วมีนักศึกษาผู้หญิงคนหนึ่งได้ลงลิฟต์ในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มหลังจากที่สอบเสร็จในวิชาสุดท้ายจากชั้น7ของตึกที่เรียนรวมทำให้นักศึกษานะคะตัดสินใจลงลิฟต์แทนการขึ้นลงบันไดเพื่อจะกลับบ้าน ในขณะเดียวกัน ร, ปรอปภที่เฝ้าดูแลตึกนี้ก็ได้กดสวิตซ์ตัดไฟเพราะคิดว่านิสิตได้ลงมาจากตึกจนหมดแล้วทำให้ไฟในลิฟต์นี้ยหยุดชะงัก นักศึกษาหญิงดังกล่าวได้ติดอยู่ในลิฟต์แล้วก็ขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิตไปในที่สุดถือว่าเป็นข่าวดังในรอบหลายๆปีนะคะเพราะว่าศพของนักศึกษาหญิงคนดังกล่าวเนี่ยติดอยู่ในลิฟต์จนแห้งเลยทีเดียวหลังจากพิสูจน์หลักฐานก็พบว่าช่วงเวลาที่นักศึกษาคนดังกล่าวติดอยู่ในลิฟต์เป็นเวลานานถึง3เดือนแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของการสอบตลอดระยะเวลาไม่มีใครรู้นะคะว่ามีนักศึกษาติดอยู่ในลิฟต์ จึงไม่ได้ทำการช่วยเหลือจนถึงแก่ความตายนะคะซึ่งปัจจุบันแม่ลิปดังกล่าวจะถูกถอนออกไปแต่ว่าบริเวณพื้นที่ลิปก็ถูกสั่งปิดตายห้ามขึ้นไปใช้บริเวณฝั่งซ้ายเพื่อไว้อาลัยแก่นักศึกษาหญิง วันดีคืนดีนะคะก็จะมีอาจารย์มีบุคลากรรวมถึงนิสิตนักศึกษาที่มาเรียนในช่วงตอนดึกก็จะเห็นผู้หญิงยืนอยู่หน้าลิฟต์ส่งเสียงร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วยจนในปัจจุบันถ้าเกิน4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะจะเห็นว่าทั้งอาจารย์แล้วก็บุคลากรรวมทั้งนิสิตเองถึงแม้จะมีเรียนชั้น7ชั้น8นะคะก็ต้องเดินขึ้นบันไดแล้วก็หลบหลีกบริเวณลิฟต์ดังกล่าว เพราะว่าต่างก็หวาดกลัวกับความหลอนของนิสิตสาวที่มีจิตผูกติดอยู่ในสถานที่แห่งนั้นเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของซอยหนองไผ่เดิมทีซอยหนองไผ่เนี่ยจะเป็นทางเกวียนเล็กๆใช้สำหรับลำเลียงศพเพื่อนำไปฝังที่กลางป่าช้า ซึ่งปัจจุบันป่าช้าก็ได้ถูกถางออกปรับเปลี่ยนเป็นแปลงปลูกหม่อนนะคะข้างคอนโดอของอาจารย์ค่ะตามคติความเชื่อของคนภาคอีสานเขาบอกว่าเด็กที่ยังอายุไม่ถึง12ปีเนี่ยจะถูกนํามาฝังซึ่งที่ฝังปัจจุบันก็คือป่าช้าที่เป็นป่าหม่อนข้างคอนโดอาจารย์นี่แหละนะคะส่วนศพที่ต้องการไปเผาก็จะนําไปเผาที่เชิงตะกอนชายป่าช้าซึ่งเป็นที่ตั้งของอบตขามเรียงในปัจจุบันสําหรับซอยหนองไผ่ ะะอยู่บริเวณข้างร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์โพค่ะจากปากซอยไปจนถึงหอหลังแรกของซอยก็จะมีระยะทางประมาณเกือบ200เมตรจากทางเข้าด้านซ้ายมือจะเป็นหนองน้ำส่วนด้านขวาก็จะเป็นป่าละเมาะเรื่องที่จะเตือนต่อไปนี้จะเป็นเรื่องของ200เมตรที่ชี้ชะตาคุณว่าถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามคำเตือนคุณจะพบอะไรบ้างนะคะ อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของอุโมงค์ผีผ่านค่ะว่ากันว่าเป็นอุโมงค์ของมอเก่าสร้างขึ้นเพื่อให้คนเนี่ยเดินลอดข้ามฝั่งได้อย่างปลอดภัยเพราะว่าเวลาผู้ปกครองมาส่งลูกหลานทั้งตัวผู้ปกครองเองเด็กนักเรียนเองถูกรถชนบาดเจ็บเสียชีวิตบ่อยครั้งทางนักศึกษาที่จะข้ามไปเรียนระหว่างตึกก็เช่นเดียวกันทางการก็เลยได้สร้างอุโมงค์เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุค่ะ แต่ในทางกลับกันการสร้างอุโมงเพื่อแก้ปัญหากลับสร้างอุบัติเหตุจนถึงแก่ชีวิตของคนเพิ่มมากยิ่งขึ้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะคะตอนที่มีช็อปปั้นของศิลปรกรรมยังอยู่ที่มเก่าตอนที่กำลังสร้างอุโมงเจ้าหน้าที่ได้ขุดทางเป็นช่องแต่ว่ายังไม่ได้ปิดถนนด้านบนนะคะก็มีมอเตอร์ไซค์ค่ะขับรถมาเร็วมากเบรกไม่ทันตกลงไปคอหักตายรุ่นพี่วิ่งไปดูก็เห็นกับตาค่ะว่าตายคาที่ อีกเหตุการณ์นหนึ่งเกิดขึ้นประมาณปี2553ค่ะมีเหตุนิสิตหญิงคณะการบัญชีและการจัดการประสบอุบัติเหตุ2คนนะคะซึ่งเป็นพี่เป็นน้องกันขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจากทางวิทยาลัยพะาศึกษาเมื่อมาถึงตรงที่ยูเทิร์นหน้ามอเก่าก็ได้มีรถยนต์ขับมาด้วยความเร็ว อยู่เทินรถพอดีนะคะและด้วยความที่ไม่ทันระวังก็เลยชนเข้ากับสองพี่น้องนั้นอย่างแรงจนคนแรกเสียชีวิตทันทีคนที่สองเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลค่ะ และเหตุการณ์สุดท้ายที่ต้องทําให้อุโมงนี้ถูกปิดไปพักใหญ่ก็คือเหตุการณ์ที่มีนิสิตหญิงถูกฆ่าปาดคอใต้อุโมง์เมื่อประมาณปี2554ซึ่งขณะนั้นก็มีเสียงร่ําลือกันถึงเงาของผู้หญิงใต้อุโมงเป็นจํานวนมากเป็นหญิงสาวที่วิญญาณยังคงวนเวียนอยู่บริเวณ น, นั้นเพื่ออยากจะบอกกับคนที่ผ่านไปผ่านมาว่าเธอยังอยู่ที่นี่ มหาวิทยาลัยจึงต้องปิดปรับปรุงอุโมงนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าซ่อมแซมอุโมงทั้งทั้งที่อุโมงเองก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะคะความเฮี้ยนถูกเล่ากันมารุ่นสู่รุ่นจนเป็นที่ติดปากกันว่าอุโมงอาถรรพ์ค่ะ ส่วนเรื่องสุดท้ายของม ม, มสนะคะก็คือตำนานบ้านอีสานพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือที่เด็กมมสเรียกกันบอกว่าบ้านอีสานเป็นสถานที่รวบรวมเด็กหลายคณะให้มาใช้เวลาว่างในการพักผ่อนรวมทั้งใช้ในการซ้อมการเปิดตัวก่อนทำการแสดงของคณะศิลปกรรมคณะดุริยางคศิลป์อยู่บ่อยๆนะคะใครจะรู้ว่าสถานที่ที่เราคุ้นเคยเช่นนี้จะมีที่มาที่ชวนขนหัวลุก พิพิธภัณฑ์มมสก่อตั้งเมื่อวันที่1มิถุนายน2542โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสื่อสารถึงอัตลักษณ์ของวิทยาลัยมหาสารคามจากเดิมที่เจ้าของบ้านดังกล่าวได้เสียชีวิตในบริเวณของพื้นที่มหาวิทยาลัยทางมมสก Ki ็เลยขอซื้อสถานที่ดังกล่าวเพื่อเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะจากนั้นมหาวิทยาลัยก็ได้ขอจัดซื้อเข้ามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์จริง ก็มีอยู่สองสถานที่ที่มีบ้านโบราณแบบนั้นสถานที่แรกคือสถาบันวิจัยว่าลายรุกขเวทพางพระธาตุนาดูลกับสถานที่ที่สองมหาวิทยาลัยมหาสารคามเขตพื้นที่ขามเรียงมอใหม่นะคะบ้านหลังใหญ่นั้นส่วนใหญ่จะเป็นของเจ้านายในสมัยก่อนส่วนหลังเล็กนั้นจะเป็นของพวกบ่าวไพร่แล้วก็บริวารของเจ้านายทุกบ้านมีเจ้าของอยู่แล้ว มีนิสิตบางคนค่ะเข้าไปสำรวจแล้วก็มักจะเจอสิ่งแปลกประหลาดกลับมาทุกครั้งมักจะเจอเหมือนมีคนว่าอยู่ในบ้านทํโน่นทนํานี่แต่แท้ที่จริงแล้วไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเจอเป็นคนแก่ผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้าง ยามที่อยู่บริเวณนั้นคอยดูแลก็ยังคงพบอยู่เป็นประจำนะคะก็เลยมีการเปลี่ยนผัดยามกันบ่อยครั้งนานๆเข้าค่ะก็ขอย้ายหรือว่าขอลาออกซึ่งเป็นที่แน่ชัดแล้วนะคะว่าถึงบ้านจะยังคงเก่าแต่เจ้าของบ้านยังคงรักแล้วก็ผูกพันดูแลบ้านของตัวเองและหากใครไปทำข้าวของเสียหายหรือว่าขโมยไปอาจจะต้องเจอดีกันทุกคนค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวในตำนานเรื่องที่ถูกเล่าจากรุ่นสู่รุ่นของมมอแล้วก็มมสอนะคะทั้งนี้คุณผู้ฟังก็ควรที่จะใช้ความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะคะว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนไม่จริงนะคะก็อยากจะให้ฟังว่าเป็นเรื่องราวของความบันเทิงนะคะจะดีกว่าเนาะเพื่อความสบายใจของแต่ละคนนะคะวันนี้หมดเวลาที่เราจะต้องมานั่งพูดคุยกัน เอาเป็นว่าเดี๋ยวกลับมาเจอเจอกันใหม่ในตอนต่อไปก็แล้วกันมาดูกันค่ะว่ามีเรื่องอะไรมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันบ้างวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ